จะแสดงธรรมเทศนาพูดทังเรื่องแนวปฏิบัติพุทธศาสนาโดยเฉพาะคือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะต้องปฏิบัติศาสนาให้ถูกต้องให้เป็นผลประโยชน์นั้นดีงานแก่ตนนั้นจะต้องรู้เรื่องเข้าใจ ในทางปฏิบัติพระศาสานาเป็นของมีมายืนยาวนานตั้งสองทันกว่าปีบางครั้งบางสมัยศาสนาก็จะลืนบางครั้งบางสมัยศาสนาก็เสือเส่อมโซมลงไปนอกจากนั้นก็ยังมีธรรมะ หรืออุบายต่งตางๆที่ท่านสอนไว้หลายอย่างอัตตการเป็นการสลั บ, บซ้อนยากที่พวกพุทธศาสนิกชนจะหยิบต้องห้อใจค่วงา ม, มาปฏิบัติให้ถูกต้องได้ยากถึงแม้จะฟังอยู่ทุกวันก็ตาม สังเกตสังทำไปโดยเฉพาะเรื่องสารวาตมีการยุ่งภาละมากฟังเฉพาะในเวลาที่เราเข้าวัดเข้าวารอฟังพระทันเทศที่ไหนก็ตามจิตใจใหงเรามุ่งมั่นในการฟังธรรมเทศนาจดจ่อเฉพาะในเรื่องธรรม พอรู้พอเข้าใจถึงบ้างพอมองเหตุทางถ้าหากว่ากลับไปถึงผานไรับผาละการงานเข้าแล้วเรื่องนั่นก็หายหลืมเลือนไปนี่นั้นจึงเป็นการยากฉะนั้นวันนี้จะเทศนาเึงเรื่องแนวปฏิบัติ เพศทุกอย่างทุกครั้งลูกคราวเป็นเรื่องเทศแนวปฏิบัตินั่นเองแต่นี่จะสรุปรวมหัวข้อเพื่อให้เข้าใจง่าย <c oughs> ในทางทในพวพุทธศาสนานั่น <c oughs> ท่านสอนไว้หลายช่านหลายสริอหรืออีกจะพูดได้หนึ่งให้เข้าใจง่าย เรียกว่าศาสนาเป็นบอ่อเกิดของคุณงามความดีเป็นทรัพย์อันสารพัดนึกที่บุคคลผู้ต้องการและปรารถนาหาได้ในทางพุทธศาสนาหรืออีกจะพูดในหนึ่งพูดสันส้นๆเรียกว่าศาสนามีทั้งสจกต มีทั้งเปลือกมีทั้งกอผีมีทั้งแกนเพราะเหตุนี่และศาสนาจึงค่อยมีอายุยืนนานไม่เสื่อมสลายถ้าหามีแต่แกนอย่างเดียวศาสนาจะอยู่คนทานไม่ได้มีพอมาเปรียบเหมือนกับต้นไม้ ถ้ามีแต่กแก่นอย่างเดียวแล้วอายุไม่ยืนเดี๋ยวก็ผุถ้าหากว่ามีสะเก็ดหุ่มเปลือกเปลือกห้่มกับพี่กับพี่กับหุ่มแกน่นในผลที่สุดเปลือกหล่อเลี้ยงกับพีกับพี่หล่อเลี้ยงแกน่นและแก่นก็ค่อยเติบโตขึ้นโดยลาดับ นานปีเข้าไปกับที่ก็ค่อยบางลงไปแก่นก็ตโตขึ้นมาอุปมาถึงเรื่องพุทธศาสนาทั้งสองพุทธเจ้ามีครบคานบริบูรณ์หมดจึงได้มีอายุยืนนานมาจนป่านนี้คำว่าสกเกตคืออะไ ร, ปรเปลือกและเก่กับที่และแก่นคืออะไร สกเก็ตนั่นคือเรื่องปรีกย่อยเล็กๆน้อยๆที่เราปฏิบัติในทางศาสนาพิธีปีตต่างๆหลายอย่างหลายเลือกที่เราทําเรียวกว่าพิธีศาสนาตัวอย่างอย่างที่ว่าดีกี้เนี่ยการราฐนาเทศานารัฐนาธรรมราฐนาศี ลาดนาปฏิติมงคลอันนี้เป็นของดีย่อยเล็กๆนี้น้อยเพื่ออะไรเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้เราตั้งใจเมื่อเรามีราดนาซึ่งแล้วเราก็ตั้งใจมาต่อ น, นี้ไปจะฟังเทศต่อ น, นี้ไปจะรักษาศีลหรือต่อนี้หรือประกาศทานต่อ น, นี้ไปจะตั้งใจ อุทิศกือสนผลบุญคือทำบุญทำทานนี้จึงเรียกว่าสเก็ตครนนี้เปลือกคือได้แก่การทำบุญทำทานโดยประการาต่างๆเขาทำบุญํำทานอย่างที่เขาพากันทำกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองนอกจากทำบุญตักบาศ เพื่อถวายอาหารแกร่พระภิกษุสามเณรผู้ท่านงสงศินตีลงฆ์ธรรมัน ม, มีการหาเลี้ยงชีพกิจกรมกรมทิศก่อนอย่างกะลววาดแล้วก็มีการทำบุญสิย่อยนะอย่างลาะกากัเป็นเทศประเวทเทศมหาชาติหรือฉลองโน่นโน่นมีอะไรทั้งนั้นพัดทุกอย่างมีงานฉลอง อันนี้เรียกว่าเปลือกส่วนกับที่คือสินสิ้นห้าชิน 8, ช้นแปดชิ้นสิบชิ้นสองร้อยยี่สิบอันนี้เป็นกับที่สินนเป็ น, เ ป, นเป็นการที่จะเข้าถึงแก่ คนเราเพียงจะทำทานทเฉยๆยังไม่ทึงนี้สิมเลยเรียกว่ายังไม่เข้าถึงมันยังไม่ทึงหนักแน่นทำทานนั้นบางทีอาจจะไปฆ้าตัลั์ต่อโกงขงโมยหรือโลกชิงของอวิ่งจริงแล้วมาทำบนบทาำงก็ได้ มีทั้งบาปมีทั้งบุญฝะโกลเขาอยู่นะนี่จึงเรียกว่ากะพีไม่ใช่ไ่ด้ถึงไอ้จึงเรียกว่าเปลือกไม่ได้ถึ ง, ถงกะพีส่วนการรักษาศีลงดเว้นเจจากความชั่วโดวยประการต่างฆ่าตัดลักทรัพย์ประพฤติผิดศีช้าจ า, างการโกงวสาหะหรือสลาม่ไร สินห้าสิน 4, สิน 100, สินสองร้อยสิบเจ็ดมีแต่การงดเว้นทั้งหั้แก่นที่เดียวเข้าถึงแก่นตาสนา์แก่นเข้ามาละเข้ามาถึงกับพี้แข็งขึ้นมากที่เดียวละไม่ได้ถึงแก่นแต่แข็งขึ้นมากทีเดียวคนมีสินไปจำอยู่ในใจของตนงดเว้นเธอจากความชั่วามีแต่จิตใจผองใสสะอาด เชื่อมั่นในคุณพระตะนาไกเชื่อมั่นในทำทคำคาสอนของพุทธเจ้มนี่โดยย่นย่อสรุปรวมควมเรียกว่ากุพีอันนี้แกนนะ่นคือการอบรมวาวนารักษาจิตใจของเราไม่ให้หวันไหววุ่นวาย จิตใจของเราไม่มีกิเลสบาปกระทจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแนวแน่อยู่ในฌานอยู่ในสมาธิเรียกว่าจิตใจของใสสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าแก่คือมารวมมารวมยุทธแก่นศาสนานั่นต้นไม้ต้นนั่นอ่ะ ที่มีคุณค่าวิเศษสูงสุดกวด่าใดๆ ท, ทั้งหมดทั้งปวงหมดทั้งคือตัวแก่เปลือกกระี่เวลาเขาต้องการเขาัะให้บ้บางไร่น้อยแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือแก่ทำบ้านทำเรือนทำเ้าอะไรก็ดี เขาใช้แก่ก็มาใช้เปลือกไม่ใช่กับพี้แต่เปลือกและกับพี้นั่นแหละห่มห่อแก่ไว้ให้คนได้เอามาใช้เป็นเสาบ้านเสาเรือนหรือปลูกบ้านปลูกเรือนความต้องการของต้นไม้ทุกคนก็ต้องการที่แก่ต้นไม้ไม่ ม, มีแก่ก็ไม่ต้องการนอกจากไม่ต้องการแล้วนะต้นไม้ไม่มีมแก่ยืนต้นไม่นาน อย่างต้นงิ้วต้นนุ่นหรือต้นละกอกต้นกล้วยเพราะตอนอ้นไนม้มีแก่ไม่ลมลุกหมายถึงหกปีตจ้งปีฮหรือว่าลมพัดอะไรก่อคนทานไม่ได้ ต้นแดงต้นประดูต้นตะเคียนแก่นมันแข็งอยู่ได้เป็นร้อยปีพันปีศาสนาถ้าหากว่าเข้าถึงแก่นแล้วคนจะนั่นจะเป็นผู้ น, นักแน่น้ำมันคงได้หวั่นไหวต่อทุกทั้งหลาย อยนั้นคนเราเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าประกอบไปแล้วกองทุกกองทุกเนี่เหมือนยากคนที่จะเข้าใจคนยากที่จะเห็นทุกเพราะพวกหมอนของคนไม่เคยคิดถึงเรื่องทุกเอาแต่เรื่องสนุกอย่างเดียวมาคิดหรือบางคน ไม่เลยไม่เลยไม่อยากคิดอยากทำพอคิดถึงเรื่องกองทุกข์เรากลุ้มใจถึงยังไงมีชีวิตอยู่ก็าขาก็ขอให้มันเพลินจ้ะมีชีวิตในชาติเดียวหถ้ามันเพลินสนุกกับต่างเรื่องทั้งมันลืมทุกข์บางคนทุกข์มากๆไม่มีทางแล้วงับก่อนดื่มสุราให้เหมือนเมาลืมตัวลืมตัวไปจ้ะข้องคนนั่นน่ะ ถ้าพูดกันจริงๆจริงจังเลยทุกตั้งแต่เกิดตั้งแต่ยังไม่ทึงทลอดจนกระทั่งตายความทุกข์ทรมานของคนทุกหลายอย่างหลายประการทุกโดยการแสลงหาอาชีพเรียกว่าปริเยตจิกตะกุกหาวา ได้ใช่ไปยินไปหมดไปไม่ใช่ก็ไม่มีประโยชน์ใช่ก็หมดหมดนักก็ต้องหาแค่อย่างเนี้อะเราลองไปวุ่นกันในเรื่องปากเรื่องทองค้นหาอะไรมากๆตะเพี้ยนใส่ฝากใส่องเลือจากใส่ฝากเส่ทองทอะไก็เลือทิ้งไปเฉย คนมีน้อยก็หาแต่าปากแต่ท้องคนมีมากก็หาแต่าปากแต่ทตกลงเลยยุง่งตั้งแต่เรื่องปากเป็นคอ <c oughs> พวกงว่ายๆเดี๋ยยุ่งเรื่องกินคนไม่กินก็ไม่ได้ยุง่งไม่ต้องยุง่งคงจะเคยเห็นหรืมั่งหรือเคยได้ยินมาอย่างแรกนั่นอยู่ในปา พอออกพัษาเนี่ยเรียกว่าเขาเรียกแลกเท่ากลับหรือแลกเข้าสุมนั้นดูรู้ผลมันเป็นนอนปรักอนอนโคลนที่น้ำมีตมมีโคลนมันพิ่งไปกินมาจนกระทั่งจมลงมิดทั้งตัวเลยพอถ้าดูนี่มาน้ำมันแห้งโคลนมันก็ปิดแลกเลย มันเหลือได้ช่องหายใจนิดเดียวก็เรียกเรียกว่าแย่แลด น, นอนชั่มหรือแลดเข่าสูงตอนนั้นไปไม่กินอ่ะสบายเลยอยู่ดังเป็นป้องเดอนกลางเดนไม่กินสบายคนที่เขาหากินอย่างพวกกบก็เช่นเดียวกัน จะดูฝนมันก็นเข้าอยู่ในรูแล้วก็ น, นี้พอดีแล้วดูนีมามาก็ปิดเนียรูมันไม่ต้องออกหากินอีกต่อไปอย่างดีที่สุดก็เยี่ยวมีเยี่ยวกินอยู่ในหลัในในหลังในรนูอาหารมัดด้กินแล้วออ้วนนด้หละทั้งอ้วนทั้งมันด้วยพวกซาเลน นั่นนะเขาไม่กินเขาสบายแต่มันก็อยู่ไม่ได้อยู่ต้องตามเดือนอะไรมันก็ออกมาหากินอีกหากินมันก็ยุ่งเหมือนกับ น, นี่เรียกว่าปริเยติปกิบัติทกพ้อการแสวงหาหยิดใครๆเกิดทำไมโลกทุกเรื่องกินทั้งนั้นพิสุสามเณรในพุทธศาสนาไม่ธรรมาฆ่าขาย ไม่ทำไรยทำส่วนก็ยังขอทานกินแสวงหากินอยู่เหมือนกันถ้าพระดยากพระสังเว่มาผลนีิพานแล้วท่านก็ยังสเสวยพระยาหาเที่ยวบินทวารอันนี้เรียกว่าอาการของของทุกข์แต่ว่าความทุกข์ภายในใจนะั้นอาจจะพิดแลกกันไปบ้าง สั้งหลายพวกคารวาทผู้ไม่เดศึกษาธรรมะหรือไม่เดชพิจารณาเรื่อ น, นรอธรรมะทุกเพราะการแสวงหาได้น้อยก็ไม่พอใจได้มากก็ไม่พอใจได้เท่าใด้มามีที่สิที่สุดได้มาแล้วกับมัทธยัตจะหนีเหนียวแน่นไม่อยากใช้อยากสอยแม้ที่สุดแต่จะบริโภคใช้สอยตนเองเก็พูดเกินเต็มที่ ทั้งๆที่หามาลํา บ, บากรบกระกรรมแต่ใช่ก็ไม่ได้มันอะไรกันเรื่องถ้าหากผู้รู้เท่าเข้าใจเห็นว่าเป็นเรื่องอาศัยหามาได้ใช่ไปมีม า, มากแต่ใช่ตา่างพุทธมาทั้งคนมีน้อยแต่ใช่การพุทธมารทั้งคว ร, กกว ค, วรคือเหลือไว้สำนันที่จะได้ใช้ในเวลาที่เราหาไม่ได้หรือว่า สันด่าไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่เขาหาไม่ได้เห็นพอดีพองามแล้วเห็นว่าเราตายไปแล้วเอาไปไม่ได้ทุกคนนั้มีใครเอาไปด้วยทุกคนด้เงีของเต็มมูลมดดกตกทอดอยู่ในโลกอันนี้ทั้งหมดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่เราก็คือสละกากะ แก่คนทุกคนจนยาิใช่ไล่อนาถาหรือสงเคราะบิดามันดาที่ยังมีปากกาและคุณหรือสงเคราะห์ญาติมิตรพวกพ้องภี่นอกผู้ที่ขาดตัวบุพ่อเฉลี่ยเจือจานแบ่งปันความสุขให้แกตขขงทรัพย์ที่เราท่จาจกฆ่าไปนะมันเป็นเครื่องสมานมิตรน้ำจิตน้งใจ ทาให้คนที่ได้รับแล้วคิดถึงบุญคุณประกาศ แ, แล้แค่เราเราก็เย็นใจสบายใจเพราะเราได้สงเคราะห์คนอื่นเมื่อเรามีเราได้สงเคราะห์คนอื่นทรัพย์อ น, นั้นได้ชื่อว่าทําประโยชน์ที่เราหามาได้ถ้าหากก็เรามัธยัติยังอธิบายในะนต้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องสองเคราะห์คนอื่นอ่ะ แม้แต่ตนเองจะทานก่อนแสนฝืดแสนเถืองตอนจะใช้กับฝืดเถืองแสนฝืดเถืองแบบนี้แล้วตนเองก็เป็นทุกข์คนอื่นก็ไม่ได้รับประโยชน์ด้วยแล้วใครจะมองหนาใครจะสังคมสังคมเมื่อมีสังคมไม่มีคนสังคมจะเอาประโยชน์อะไรกันแจกจัา มันจะมีความสุขมจาจากไหนสามพระพได้เจ้านั่นล่ะกินคนเดียวไม่มีความสุขลองดูที่กินคนเดียวใครได้มันได้กินคนเดียวลองดูสิไม่แบ่งสั้นๆเกินแก่ใครทั้งหมดอะอยู่ในครอบครัวกันด้วยกันเสมมติมว่าครอบครัวพว่อแม่เด้วยกัน มีมาแล้วมีสิ่งใดมากินคนเดียวลองดูอยู่ด้วยกันได้หรือหรือหากว่าลูกเก้ามีขึ้นมาในสมาชิกในบ้า น, นเรือ น, นมีสักสามสี่คนเข้าไปกินคนเดียวใครใครได้ก็ซุกซ่นกินแค่คนเดียวนะไม่ทะเลียเ่ยวกับจานเกี่ยวกันไปลองดูที่อยู่ด้วยกันได้ไหมกลุ่มใจคนนอยด้วยกับกลุ่มใจตัวเราเองกับกลุ่มใจ เราคนอื่นใจเห็นเรากินเรคนอื่นยังไม่แย่งกินเราเลยเป็นทุกข์เหลือร้อนได้มามกี่ความสุขนี่นหละ เ, เรื่องเปลือกมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากเรา ท, ทาําทานการกรุศลถ้าหากเราจะผลของการทําบุญทำทานอะไรู้เรื่องทั้งหลายแล้นี้แล้วเป็นทุกข์เหลื่อรอน อ น, นี้การทำทา น, น, นไม่ใช่ว่าเรามีมากจึงจะทานหรือว่าเรามีของดีๆเราจึงจะทานหรือว่ากายนี้ให้เขาทานหาไม่ใช่อย่างนั้นก็ดังอธิบายแล้วว่าหามาได้ใช่ไปมันหมดไป จะให้มันเหลือแล้วจึงจะทําบุญดำฐานมากๆเลยจะทํำบุญดำฐา น, าาาานหรือตายแล้วจึงทำบุญดำทานนไม่ไหวังเลยการที่เรามีน้อยทําบุญด้วยความเรื่องใส่ศรัทธาอาจจะได้ภารันิสงมากกว่าคนที่ได้มากๆเลยพอทําบุญเราสมมุติกันว่าพูดกันง่ายๆล่ะทุกคนถ้าพากันคิดว่าได้มากๆเลยพอบุญ ในละญ้าที่ยังไม่ทันได้ี่ใครจะทําแล้ว่านนี้ทุกคนทางการทำกันหมดาศาสนาจะอยู่ได้รถ้าบวชในพุทธศาสน า, าก็อยู่ไม่แต่มันมีคนถวายยังหันมีถวายของเรื่องเลกในปีพีกมีผักไงล่ะทําบุญตั้งบา ท, ทุกวันทุวันเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นประโยชน์ได้มากได้น้อยอได้น้อยเนี่ยทําบุญน้อยเนี่ยทุกวันทุวันวนีนน่มีประโยชน์ ถ้าหทุกคนไรีคอแล้วได้มากๆแล้วไม่เจ้า ก, กี่ปียังจะได้มากๆถ้าตายหมดก่อนแล้วสึกหมดแล้วเลยไม่ได้ทำกับจึงว่าการสละจากพระทมบุญโดยเฉพาะเรื่องอาหารมินทบารเป็นของเลี้ยงชีพของคนเราอาหารเป็นเครื่องยังชีวิตของสัตว์ให้อยู่ได้คนที่ถวายอาหารมินทบาร พระพุทธสสามาเณีหรือแก่คนทุกจนนาอ า, าหาหรือใครก็ตามเถอะอาหารเป็นเหมือนกันก็ว่าเราถวายทานชีวิตเอาชีวิตแทนเป็นทานตามโบราณเข้าใจกันว่าทานชีวิตเอาเนื้อเอาหนังไปให้เสือกินเสือหิวตกน้ำบอ่อแล้วก็การใจ โจนลงไปให้เสือได้กินให้มันอิ่มนี่ว่าทานชีวิตหรือบางคนเข้าใจเสียว่าทานชีวิตคือตัดหัวให้เป็นทานใครจะไปต้มกินหัวหัวคนใครไปต้มกินไม่มี้่เข้าใจผิดเพรมะาทานชีวิตเนื้อหนังคนจะมีใครกินกันนะ่ะทานชีวิตคือทานอาหารนั่นงยังชีวิตให้ ยืนยงไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งเรียกว่าทานชีวิตนี่ยจึงว่าให้รู้จักการทำถานเห็นคุณค่าของการทำถานอย่าไปคิดห่าอมากาม่อนใคยทำถึงแม้จะเป็นเปลือกก็ยังห่มห่อไว้ถ้ามาห่มหอ่อทีเนี่ยอย่างผู้ที่จ ะ, จะเจริญกรรมฐานภาวานา หรอจะถึงว่าผนิพพานหรือเป็นพระพุทธเจ้าหรืออริยสงฆ์สาวกแล้วเป็นพระอรหันต์อรหันต์แล้วต่างถ้าไม่มีเปลือกเครื่ออาหารนี่หล่อเลี้ยงคือการดำทานนี่หล่อเลี้ยงมันจะอยู่ได้อย่างไรมันก็ต้องตายกันทั้งหมดนี่ยังว่าเปลือกก็เป็นของมีประโยชน์เป็นประโยชน์ใแก่กับขี้นี่นคือสินละเวน้นโดยแจกควาชั่วประการ สินที่เรารักษานั่นเนี่ยเว้นเสียจากการฆ่าสัตว์ก็คือไม่เบียเดเบียนให้สัตว์ทัท่วไปสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเด็ดขาดในขาดเลยมาคิดถึงว่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่หวงชีวิตเดียวกันปรารถนาความมีชีวิตเดือวกันทั้งนมไม่ต้องอื่นไกลแล้วคิดในตัวของเราแล้วก็แล้วกัน เจ็บไข่จนจะตายแหลไม่ตายแหละก็ยังตีนลนหาวิ่งหาหมดอ่าหมอตัวจะตายนี่ล้ายๆก็กลัวนะตัวตายเนี่เราเนี่ยไปฆ่าเข้ามาเด็ดชีวิตเข้ามาจะฆ่าโดยการสนุกสนานกระตามหรือฆ่ามาเพื่อเลี้ยงป่ากเลี้ยง้องไปจังเนี่ยลองคิดดูสิเขาจะแพงเขาจะหวงชีวิตกันเท่าไหร่ เราเนี่ยไปเห็นเก็บปากเก็บท้องยิ่งเห็นเนื้อเห็นตัดเขาละกะ็คิดอร่อยเลยมันยิ่งก่อยยากเหมือนเงั้นเกินเสือเห็นงวเสือเห็นสุนัขเห็นหมูเพราเห็นนั่นไม่ได้คิดถึงชีวิตที่วา ง, งเขาละ่ะคิดแต่าปจะกินปากกีนท้องแล้วก็ที่ายเดีื่ยคนเราถึงว่าผู้มีจิตไม่หิตประทุษถลายจิตเอ็ ชีวิตที่ใจอื่นเน่ยจะไปเข้าใจว่าเป็นคนยังมีสัตว์นิสัยสัตว์ดว่ารูปร่างเป็นคนแต่นิสัยยังเป็นสัตว์เอเดนพระเดจเจ้ายังสอนไว้ผ่านศาสนาสิพูดตอนนี้คนหนึ่ง น, น้อยใจงดมดข่าแย่ไม่ค่าสาเกินยม่มีจริงงดคนเรา ก็เพราะเหตุที่ว่าฆ่าสัตว์นี่แหละมึงฆ่ากูกูฆ่ามึงมันยังไม่เดือดร้อนเหตุทุกข์ที่เป็นว่าเดือดร้อนเป็ทุกข์ตอนนี้เพราะเหตุที่มึงฆ่ากูกูฆ่านี้ถ้า ง, งดเว้นแจากการฆ่าเหมือนกันลองดูเจ็บไปคนสุดเท่าไหร่ส่งมาแล้วการกินล่ะกันเราเป็นผัดันเป็นยกักษ์ยังได้เกิดมา หากินเ น, เนื้อเขาเลือดเนื้อเขามาเป็นเพื่อนชีวิตของเราอย่างเดียวมันหัดเป็นยากมันได้เกิดมาตั้งแต่เคยไปเห็นแล้วพวกความมาพวกไทยใหญ่เขาไม่ฆ่าใสา่เขายังเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่หาผักกินน้ำมันง า, ากินน้ำมันถั่วกินผักกินทิศ เขาก็ยังมีกำลังเรี่ยวแรงแข็งแรงพราะไม่จริงอันเรื่องน้ำมันงา ม, มีมีแต่ ม, มีมากยิ่งทําห้สุขภาพเขาดีเสแต่าาก็ไม่ค่อยเกิดโรคเกิดภัยเป็นหิตเปื่อยหิดหดต่อเป็นกระเพื่อนอะไรต่างๆเขาก็ยังอยู่ได้อันพวกเราเในผู้เคยเป็นยากมาแล้วเนี่ยจะกลับมาเป็นคนมาเป็นในยากทีเดียเรื่อง เพราะพระนั itas, yeah, yeah. Megan, ấy, ่นสอนทั้งเรื่องให้รักษาสินแน่ๆแอ้วอกนห้ใจเยะเยะนั่นี่ถ้งว่าเกนไอ้กระพี้มันแข็งเข้าไปถ้าหากเขาผู้ไม่ฆ่าสัตว์ใจของเราเน่ะจะเกิดเมตตาปราณีจะเห็นใจเขาใจเราเห็นชีวิตเขาชีวิตเราเห็นทุกข์เขาสุกข์เราถ้าหากว่าคนไม่เคยรักษาสินเช่นเลยเนี่ยเห็นเขาเมแต่จะเอามาเป็นเนื้อ เราอย่างเดียวเอาเลือดเอาเนื้อกาเป็นเนื้ อ, เ, อเลือดเนื้อเราอย่างเดียวไม่มีอะก็เมตตาปานีมืดมีติดมั้งทิ้งทำตอนนั้นไม่มีเลยเีีงว่าการรักษาศีลนั้นมันเป็นการทำถามในตัวเพืให้อภัยทานถ้าที่เราควรจะฆ่าแล้วทงไมฆ่าเลี้ยวให้อภัยทาน สิ่งของควรที่จะลักชอบกุ้งขโมยควรที่จะโลภออกโดยประการต่างๆแล้วก็แมวก็เป็นอภัยทา น, นอภัยทานในตัวมันรวมเข้ามาแล้วนี่ทานมาอยู่กับศีลมารวมเข้ามาอยู่ในศินลรักษาศีลเป็นานในในตัวอันนี้เมืม่อมาหัดพ่อนาทํำสมาธิแล้วสํารวมจิตสํารวมใจให้อยู่ ในอารมณ์เดียว ท, ที่เราหัดของสมาธิกรรมฐา น, นยิ่งเป็นทานใหญ่ยิ่งเป็นศีลใหญ่มรลุวิธีเดียวคนเราถ้าหากจิตมันสงบอย่างเดียวก็แล้วมันจะมีอะไรบาปประทานไม่เกิดกิเลสทั้งหลายความยุ่งวุ่นวายทั้งปวงหมดเราละไปได้ก็เรียกว่าเราทานศีนลคือความปกติ เมื่อจิตใจมันอยู่ปกติตามสาภาพเลยไม่คิดสงสยัยเรียกว่าเส้นผมก็เรียกว่าฉิบเมื่อหัดทำธรรมาที่ภาวนาเข้าถึงแกศก็เหมือนกับต้นไม้น่นะเศ็ษเปลือกกระพี้มาหล่อเลี้ยงแกนให้แกนแข็งแกร่งกระเหมือนกรเหมือนกันมารวมทั้งเกศ พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านรวมถึงแก่นแล้วขานีท่านนิพพานเรียกว่าแก่นนั้นผุพังไปแล้วเสื่อมสลายไปแล้วไม่่าเกิดปรากฏขึ้นมาอีกที่อธิบายมา น, นี่เพื่อให้เข้าใจโดยสรุปรวมรวมยมยอด ก, การปฏิบัติุทธศาสนาเราอย่าไปเอาถ่ายเดียว เจ็นนั่งเพราะนามันตายแล้วเอาตาเพราะนาอย่างเดียวไม่ต้องรักษาศีลก็ไม่ไหนเนื้อรักษาศีลอย่างเดียวแล้วไม่ต้องทําทางกันทําทางอย่างเดียวแล้วไม่ต้องมีไหว้พระสวดมนต์อะไรไม่ต้องทําทั้งหมดอ่ะไม่มีกิจจะว่าเขาอะไรก็ไม่ไหนการทําการปฏิบัติพุทธศาสนาปฏิบัติมาดูลำดัตั้งแต่ไหายพระสวดมนต์ทำ功德ขรุขระ ในปิดาบรรดาคนเฒ่าคนแก่ได้ทางนั้นน่ะวุชา้าดอกไม้ถูกเกี้ยนได้ทางนั้นน่ะเป็นค น, คนดีทางนั่นน่ะคือมันทําใจให้เบิกบานทำใจให้ใสสะอาดเมื่อทําบนดำทานในชจะจาทศระอิบ อ, อกอิ่มใจในกาที่เราในสระจาข่ามีใจเมื่อมารักษาสิ่งให้จิตใจ แล้วมันแข็งกงงล้าขึ้นสามารถใช้เึ้นบาตรกรรมได้ก็มานั่งทําคมเทียนโานาทำสมาธิเป็นในแนวปฏิบัติพุทธศาสนาทั้งนั้นเราไม่ได้อันหนึ่งก็ให้ได้อันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้รไม่ได้สมาธิก็ให้มาอยู่กับศีลเมื่อไม่มีศีลก็ให้มาอยู่กับถาน เมื่อทำาทแล้วได้ก็มีไหวพระสวดมนต์หรือปฏิบัติอิดามันดาวิช า, าจา์หรือมีความจงรักภัตดีเมตตาปณนีุอบอ้อมอารีญาติน้องพ่อพ้องหมู่เพื่อนด้วยกั น, ห น, กนให้มันมีเครื่องอยู่คนนั้นจึงได้เชื่อว่ามีสาระเครื่องอยู่ ถ้าหางมันมีเครื่องนี้เพป่นเครื่องอยู่แล้วมันก็สัตว์ดีนั่นสิตัวนั้นคิดดูสิสัตว์มียะไรกินแล้วก็นอนกินแล้วก็ น, นอนตื่นมาหากินใหม่นอกจากเขาไม่ถ้าอันดีขึ้นไปกว่านั้นเขาก็ไม่ใช้การใช้งานเอาแรงแม่เขาใช้ตายแล้วเขากินเนื้อกินห น, นังวะไม่ได้ไประโยชน์อะไรแกตัวเลย เพียงกินแล้วนอนตื่นก็มาหากินใหม่มันได้ไประโยชน์ไรกินเพื่อท่าตายกินคอยวันตายเขามาใช้แรงงานเอาแรงงานเราไปใช้เา้าเปล่าแล้วเขาไม่ได้กินอะไรหรอกไปทำนายเขาทั้งทุ่งแล้วไปกัดเข้าเขาสักต้นเดียวเขาตีเขาแทบตายคิดดูสิมันได้อะไรตายแล้วเขายังสบายใจซะเอาเนื้อหนังไปฟันยังกินสนุก เขาไม่ได้คิดเอ็นดูเมตตาเลยเลยเลยแต่นี้เดียวกับเรานี่คนที่ทำบาปกรรมทว่าไม่ไดะดทำข่มดีไว้ตายไปที่ว่าไปเป็นสัตว์ถ้าเรามีธรณ ะ, ะที่พึ่งอย่างที่ว่านี้รับรองว่าไม่กระตายเป็นสัตว์มีการทำทานมีการรักษาศีลมีการทำสมาธิภาวนา ถ้าห่างแล้วจิตใจของเรากล้าแข็งคำาพรนาสมาธิแนวเนีน่ยเต็มที่อาจจะพ้นจากทุกข์นครับตายแล้วไม่ได้มาเกิดอีกไปหาที่สุดไม่ได้มายุคมุลหวายอย่างนี้ต่อไปเนี่ยอธิบายมาในวันนี้เมื่อว่าถึงเรื่องการปฏิบัติศาสนาก็เป็นแนวทางเล็ก น, น, น้อยถ้าอยากพูดมันก็กว้างขวางเพราะฉะนั้นก็ขอให้พากันจดจานาออกไปพิจรารณา แล้วตั้งใจปฏิบัติไปตามก็สามารถจะให้ถึงความบริสุทธิ์หมดจดหรือถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการสมนาาักฝาัสาวทุประการ